นิสัยจะเป็นสิ่งติดตัวข้ามภพข้ามชาติกรรมจะพยายามรักษาเราไว้กับทางเดิมหากตลอดชีวิตชาตินี้ปากใจเชื่อไปจนตายว่าเราไม่มีสิทธิ์บรรลุมรรคผลกอมโนกรรมย้ำคิดย้ำเชื่อเป็นอาจินก็ยอมฝังแน่นติดจิตติดวิญญาณไปชาติหน้าแม้พบพระพุทธเจ้าก็คงมีกำลังใจอ่อน เจอเหตุปัจจัยให้คิดแบบเดียวกันนี้อีกและอีกไม่รู้จบรู้สิน้นศรัทธาในทางพ้นทุกข์คือสติปัฏฐานสี่เชื่อแน่ว่าเมื่อไต่ไปตามขั้นตอนวันหนึ่งในชาตินี้จะต้องหลุดพ้นอย่างแน่นอนปัจจุบันชาวพุทธผู้รักดีมักมีความสงสัยกันอย่างแรงว่า ตนสามารถบรรลุมากผลได้ในชาตินี้ไหมศรัทธาอ่อนเพราะรู้สึกตัวเองกิเลสหนาเกินไปเหมือนตัวเต็มไปด้วยคโคลนกิเลสเปลือเปื้อนทำใจให้เชื่อได้ยากว่าตนจะมีกำลังเพียงพอบุกบันเข้าถึงมากผลก่อนสิ้นชีวิตเอาจริงๆศรัทธาอ่อนเพราะภาวนาแล้วท้อ ความท้อแท้เป็นศัตรูหลักของการเจริญสติหลายคนล้มเลิกไปเลยทั้งชีวิตชาตินี้ไม่เอาละยิ่งพยายามภาวนายิ่งสะสมความรู้สึกล้มเหลวไม่มั่นใจว่าที่ภาวนามามันใช่หรือไม่ใช่สำหรับเราศรัทธาอ่อนระหวังบรรลุในยุคพระศรีอาน เจอถ้าย้ำเชื่อสืบๆกันมาตอกย้ำให้มืออ่อนเท้าอ่อนยิ่งขึ้นไปอีกเช่นพวกเราวาสนาน้อยเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าต้องอธิษฐานไปเกิดในยุคของพระศรีอานฟังธรรมต่อเบื้องพระพักจะบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วผมอยากให้จำกันแม่นๆเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่า ใครก็ตามที่เจริญสติปัฏฐานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดูกายเวทนาจิตธรรมเต็มที่แล้วต่อให้บารมีอ่อนแค่ไหนก็ตามต่อให้บวกเวลาที่จะถูกมารขัดขวางจะถูกวิบากเกา่าเล่นงานเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องของความหน้ามืดตามัวบ้างรับประกันเลยไม่เกินเจ็ดปีอย่างช้าอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วเจ็ดวันได้เป็นพระอรหรันต หรือไม่ก็เป็นพระอนาคามีแต่มีข้อแม้ว่าถ้าคนคนนั้นในชาตินั้นไม่ได้ทำอนันตริยกรรมคือฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์ทสงแตกแยกและทาพระพุทธเจ้าห่อเลือดการภาวนาไม่ได้เดินหน้าด้วยความภาคเพียนหรือยกสติขึ้นตั้งให้เป็นสมาธิอย่างเดียวบางครั้ง ต้องเติมศรัทธาที่เริ่มเหือดแห้งเข้าไปด้วยแม้เราจะมีศรัทธาแก่กล้าในพระพุทธองค์แต่หากขาดศรัทธาในตัวเองไม่เชื่อว่าตัวเองจะบรรลุได้มันจะไม่มีความพยายามแล้วก็อธิษฐานท่าเดียวเลยว่าขอไปบรรลุมรรคผลเอาในพุทธการหน้าจึงทำให้วิริยะพลอยหายหนแล้วจะเอาอะไรมาตั้งสติให้เกิดสมาธิเพื่อเห็นความเกิดดับได้เล่า อย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าเอาน้ำบ่อนี่ละปรารถนานิพพานและเอาจริงจะถึงไม่ถึงอย่างน้อยมีนิสัยตรงนั้นไว้แล้วในที่สุดชาติหนึ่งมันก็จะต้องถึงที่สุดเข้าจนได้